ถ้าไม่มีสิ่งขัดข้อวันพุ่งนี้เป็นวันจำลองอธิษฐานวันจำผัรษาการจำพรรษาพระบรมศาตราบรรดาไว้ในพระวินัยกว้างขวาง ม, มากทำไมเก่งสอนให้จำพรรษาเพราะเป็นฤดูฝนถ้าไม่ให้เที่ยวเพราะศาสนาอื่นๆเขาประจำพรรษา ที่นี่พระเจ้าพิษสารก็เลยมาขอบัณดัตให้จำพรรษาเพราะพระทิกสุส่งไปที่ไหนลุยไปทำให้คูนาคันาของเขาทลายไปแต่ศาสนาอื่นก็ยังจำพรรษาศาสนาพุทธทำไมจึงไม่จำพรรษาเราพระส้ า, าเออเราคอยให้มันมี เหตุอยู่เราก็รู้จักแล้วต่อ น, นี้ไปเราจัดจำพรญหาเอาทีฐานนี้จำัญรษาหรอกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ต้นพรรษาก็ต้องคอยให้มีเหตุจะก่อนไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เรารู้แล้วเรารู้จนถึงว่าพระเจ้าพิมพิสารจะมาขอพระเจ้าพิมพิสารก็ขอนาวิสขาเอกก็ตรงกัน ทีนี่การคำนัษาที่นี่อยู่ใจมากสามเดือนจึงได้บรรจงอธิฐานอิมัตก็รมอาวาเซอิมันเตวาสร้างวัดสร้างอุเปมิเราจะอยู่ในที่นี้ตลอดสามเดือนเข้าพรรษาการเข้าพรรษาไม่ใช่จะเข้าพรรษาเพื่อให้ได้พรรษาเฉยๆก็คือทําความเพียรเราดีๆนี่เองเราจะทําความเพียน เหมือนอย่างที่ไม่เข้าพรรษามันก็ขาดทุนเพราะการเข้าพรรษาไม่มีการที่จะไปเที่ยวทางอื่นมดห่วงใหญ่แล้วถึงแม้มีธนักไปก็ได้สัตหะไปไม่ให้เกินเจ็ดวันก็คืนมาที่นี่ท่านอธิบายเืย่นยาวมากพรรษาขาดเป็นอาบัตอะไรพรรษาขาดเป็นอาบัตทุกกฏ ถ้าแรกต้องให้ขาดเป็นอาบัตปลายุติถ้าไม่จาพรรษามีปัญหากันาง้รถ้าไม่จำพรรษ า, า, า, ร า, ษาก็ปรับอาบัตทุกกฎเท่านั้นไม่ปรับอันอื่นถ้าพรรษาขาดก็ปรับอาบัตปลายุติบ้าทุกกฎบ้าภิกษุผู้จําพรรษาครุฑตจมากสามเดือนมาให้พรรษาขาดคือไมยเหตุใดที่จําพรรษาเขตแดนจําพรรษา พระพู้เนเจ้าอาวาสท่านจะบอกเขตนั่งไปนั่งไนั่งเขตนั่แต่นี่ไปนี่อย่าให้ไปให้สว่างอย่าให้แก้ย่าให้อารุณขึ้นใหม่ให้เข้ามาทําในกลารที่เขตแดนนั้นเหมือนรักษาเหมือนรักษาภาพไตรกีวรให้ปาาิจากราตรีนั่นเองภิกสุจําพังสาขาด้า้รักถิ่น ก็มาได้อาอนิสงส์ตัดถินธาตจํา ม, มัทสาวะอากาศมีอานิสงส์หประการที่ออกไปไม่ต้องบอกลาเก็บอไอเทมีกจีวานว่าจะตามผ่าถนาจีวันเกิดขึ้นมันเป็นที่ได้แต่พราะเธอและฉันบินถบาดออกชื่อโกชนะทั้งห้าอย่างก็ได้คือเข้าสู่ขนมสดของแห้งปลานือา้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีออกชื่อโกชนะก็ได้ไปขั้นทั้งสี่รูปก็ได้ เที่ยวไปไม่ต้องบอกลาคือเที่ยวไปในเวลาวิการไม่ต้องลาก็ได้ไม่ต้องเอาตรีชีวรไปคลุกสามถืถนพื้นใดพื้นหนึ่งเว้นได้ทีนี้ถ้าได้การกระถินก็ได้ขยายเขตจีวร อ, ออกไปจนถึงเพนเดือนสี่ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้การกระถินก็อนุสมบัติเฉพาเพียงเพนเดือนสิบสองเท่านั้น ถ้าอาการยกรถิ่นก็ออกไปในเดืองเดือนสี่พิษสูงพููทำพรรษาขาดจะมาเขาจะมาทอดกรถิ่นก็ได้รับอานิสงพรรษาไมนได้รับสงอานิสงกระถิ่นเขาแต่ว่าวส่วนบุญกุศลนั้นได้อยู่แต่ว่าอานิสงกระถิ่นอานิสงพรรษาไม่ได้ที่นี้ในระหว่างการพรรษา เราจะทรมารเราเองอันไหนก็ได้แต่ทั้งสมควรว่าเราจะไม่นอนให้หลับก่อนตีสี่ตอนสี่ทุ่มก็ได้แต่จกสมมติหรือเราจะตื่นขึ้นปีสามแล้ว เ, เราจะไม่นอนอีกเราจะเดินจงกรมบ้างภาวนาบ้างหรืออะไรบ้างจิตของเราได้แต่เราจะทรมานตนเอง ส่วนธุดงเขวัตเนี่ยได้แต่ใครจับสะดวกเดี๋ยวนี้พวกเราได้ธุดองอยู่แล้วหนึ่งบินธบเป็นวัดสองขันในบาทเป็นวัดบางท่านไม่มีภาชนะสองถ้ามีมันภาชนะสองก็เรียกว่าได้แต่เอกาชนิดตังค์คือนั่งฉันอัสดสนญยาสับเดียวเป็นวัดหรือบินธบดเป็นวัด หรือฉันหนเดียวเป็นวัเดเรียวกว่าเอกาสนิจกรรมคัฉชันหนเดียวเป็นวัดหรือนั่งอาสนะเดียวเป็นวัดส่วนผู้ที่มีพาชนะสองก็ได้เพียงเอกาสนิกันมคัพเท่านั้นเพราะฉันหนเดียวไม่ไั้นัองหนส่วนผู้ที่ไม่มีภาชนะสองไม่ได้ใส่ฟ้าบาดกินอันนั้น หวานกับข่าวเอาลงด้วยกันอันนั้นได้ชุดดอย่าอุตธกิจเล ย, เลยนะครับพิจญาง่ายพิจญาให้เป็นปฏิกุณก็ง่ายตรงกับคำว่าเมื่อบินทบาทเราจักแปรดูแต่ในบาทไม่ได้แรดูประจางอื่นนี่วนอาจารย์ยึดกคับ ถืออยู่ในป่าเป็นวัดวัดพวกเรามันไกลนี่เท่หร่เช่นมันก็ได้อารันี้การฆ่าแล้วนี่ข้อหนึ่งแล้วอีกข้อหนึ่งที่นี่ศูนย์สรารในการฆ่ามันมีใครได้เพราะไม่ได้อยู่ในป่าชาติการอยู่ในป่าชาติก็คงอยู่แต่แล้ดูแรงเท่านั้นแล้วดูฝนก็คงเข้าในวัดอภิรคารที่การฆ่า ก, งกองเงินกันอยู่ในที่แจ้งเป็นวัด ก็อยู่แต่เฉพาะฤดูแรนเท่านั้นทุ่ทุ่ลงถือขอ้อนี้เพราะรฤดูฝนมีสิ่งที่บังคับอยู่ว่าให้มีวานประตูเพื่อเปิดเขาออกไล่เข้าสู่เนนสนาธขณะแล้วหรืออยู่กระต๊อกหรือในถ้ำในภูใน ผ, ในผาก็จะได้เหมือนกันจะเป็นวัดคือบริบูหรือไม่บริบูร์ก็จะได้พระพุลมศาสตร์สฎามเดชสงฆ์วนะ่า เธอยาไปอยู่ในที่สำนักไม่เป็นวัดบริบูรเพระบรมศาสด า, ศ า, ศามันบอกอย่างนั้นห้ามาให้จำรรษาในที่กระท่อมผีในที่ตุงคาคบจังหาไม่ได้ห้างอันอื่นสะดวกที่ไหนก็จำภาษาได้ไม่นไว้แต่ตุงคาคบควายมีที่ ป, ปัดปีเปิดประตูเข้าออกประตูขออกมีฝาแข็บตอพกใช้ได้พระเวลาลงมา ผลจะศาสตร์เข้าหรือจะเป็นหวัดคัดจมูกหรืออะไรต่ออะไรที่นี่พวกชาวพัลคีเข้าจำพรรษา น, นัดกันว่าเธออย่ามาเตือนข้าอย่าพูดกันอย่าอย่าพูดกันเนิ่ห้ามมให้พูดกันอย่ามาเตือนข้าของใครของมันนิ่งเลยไม่ต้องพูดกันใครดีใครชัีาา้อัปาศ อย่ามาตักเตือนกันเลยอย่ามาพูดกันเลยอย่ามาพูดมาให้พูดกันทำภญษาเพราะว่าเราเา็นศาสนา์ชาตเข้ า, ขาก็บอกว่าเออศาสน์ของเราเป็นศาสน์ที่จเจริญด้วยตักเตือนกันถ้าอย่างนั้นวันคลิปสิน้นพรรษาจรจึงได้เป็นวันประมามหาปราราณาให้ปรณรากันเช็ดเขนว่าเตีนว่นนาด้วยเห็นก็ดีด้วยสงสัยเรื่องเกียดติก็ดีเพราะตักเตือนได้ ศาสนาของเราจเกเจริญก็เพราะตักเตือนกันแต่ผู้น้อยตักเตือนผู้ใหญ่ก็ต้องมีนโยวายไม่ใช่จะให้หูหูไปเตือนส่วนผู้น้อยส่วนผู้ใหญ่เตือนผู้น้อยนะก็เร้ยแต่เห็นสมควรมีอิสระกับผู้ใหญ่แนี่ยแต่สันติอิสรส่วนผู้น้อยจะเตือนผู้ใหญ่ก็ต้องเตือนด้วยเคารพจะไปจับหูหิ้วไม่ได้ถ้าทําอย่างนั้นมันผิดไหมครับกผมอยากจะทราบว่าเมื่อทําได้สติ ท่านหากท่านหาพระเองท่านถ้าจะเตือนท่านผู้ใหญ่ไม่บอกอ่อนหรือไม่ขอโอกาสเป็นอาบัตทุกกทพิกษุจะจอดช่ อ, องพิกษุอื่นเพาะเหมือนกันถ้าไม่ขอโอกาสเป็นอาบัตทุกบทต้ตองขาขอโอกาสก่อนผมจะขอโอกาสทักท่าน ผมมีความสงสัยอันนั้นทำทำอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นทําทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้ต้องขอโอกาสซะก่อนจะถูกระ้วผิดก็พิจารณาด้วยกันเถิดหรือทําผู้รู้พวกเราก็ถามเรียกว่าจงรักพักดีต่อกันศาสนะเราจะเจริญเพราะเพราะตักเตือนกันพระอาหุนมีผู้มาตักเตือนท่านก็บอกว่าท่านเอาขุมทัพมาให้แล้วม่ได้เตรียมตัวจะโกรธหน้าเดียวพระอาหุน วันหนึ่งวันหนึ่งไปกอบเอาดินทรายมากรอบหนึ่งเพราะข้าพราเจ้าได้ฟังธรรมเทศนาของคูบาอายการเท่าเม็เหินเว็บไซายในกามือนี้เถิดอย่างนั้นพระราเหตุนั้นพระบรมศาตร า, ษาจึงทรงยกย่างว่าเป็นผู้รักใครในการศึกษาและเป็นทุทชิโนโรถได้รับเตตทันสองอย่าง เวลาลงไปกุฏิวิหารลงไปเตรียมบินทบาดสำหรับผมผมอยากไปแต่เช้าก็เป็นหน้าที่ของผมผมอยากไปสวยก็แปะสายก็เป็นหน้าที่ของผมไม่เป็นหน้าที่ผู้น้อยจะมาตั้งกดไว้คราวหนึ่งหลวงปู่มหาลงมาแต่ดึกเลยผมไปมองดูหน้าท่านท่านก็เลยตอบถูที่นี่ ผมต้องการลงมาเช่าผมก็ลงมาผมต้องการลงมาสายว่าผมก็ลงมาไม่เป็นหน้าที่จะปูกบวัดผมท่านพูดว่าผมลงมาแต่เช้าผมผมก็ม า, มาด้มาแบบโง่ท่านพูดอย่างนี้แล้วผมว่าผมมาว่านายพระคอพระขอพระคอพระงอองไหนจะเอาใจใส่ในการปัดกวาดในโรงฉันมาแต่ก่อนเขาหรือหากว่าไม่มีทันเขาหรือหา ก, ากว่าการปัดกวาดนะั้น มันไม่สามารถเทียกันผมก็จะได้รู้ผมไม่ใช่เป็นหมูคนเด็กโมโห่วท่านพูดอย่างนี้น้องูมาหาผมไปมองท่านทานัน้งขนาดท่านตอบเลยท่านรู้จักผมมองอยู่อย่างนี้ท่านตอบเลย <laughs> ตอบตรงที่ผม <laughs> ทำไมท<น>่านมาผิดปกติวันนี้เราเน้นหาน่ะท <laughs> ่านก็ตอบเลยน้องคูมหาเก่งเหลือเกินท่านก็ตอบเลยทีนี้พอฉันจะหัมอีกแล้ว นามนามสงวรน่ยท่านไปออกน้าแมกามาฉันอีกไอเนี่ผมมองดูท่านมองดูทําไมหน้าที่แม่เพื่อนผมก็ฉันเชฟที่ห้ามให้ฉันก็เพราะหน้าเพื่อนฉันว่าท่าตอบถูกเหมือนกันผมยังไม่ถามท่านเลยท่านเอาขวดเแล้วครูวายการการปฏิบัติข้อวัดครูบายการอยู่ทับหลวงปู่เงิน เราเคยกราบเรียนท่านอาจารย์มหาท่านอาจารย์มหากับผมยังไม่เข้าใจครับไปกระซิบ่ถ่บางวันหลวงปู่ออกแต่ดึกเลยบางวันก็ออกใช้สายบางวันก็ออกขนาดกลางทำไมท่านจึงทำอย่างนั้นทำไมจึงทำให้เป็นระเบียบท่านก็มากระซิบเราธรเนียมของหลูกสิบ ภูบาอาการออกสายก็ต้องให้ทันออกดึกก็ต้องให้ทันออกขาดการก็ท่านต้องให้ท่นท่านทดสอบเราว่ามันจะต้านไกลเพียงไหมอย่างนี้ก็มีอย่างอื่นก็มีมีหลายในของท่านลูกศิษย์ที่ทําข้อวัดภูบาอาการหาอุบายให้ภูบาอาการได้คอยตัวมันก็ไม่ถูกออกจะดึกก็ต้องทันออกเข้าก็ต้องทัน ออกฆราคาก็ต้องท่าได้ปฏิบัติมาอย่างนั้นได้ยินหลวงปู่มหาดุคราวหนึ่งไปวินทวารก็หาอุบายคอยคนนั้นคนนี้หาอุบายคอยคนนั้นคนนี้ออกก็หาอุบายคอยคนนั้นคนนี้มันหนักใจละเกินมันมาปฏิบัติเพื่อให้ลําบากมันไม่มาปฏิบัติเพื่อให้สบายหลวงปู่มหาหลวงปู่ฟันกอนงนั้นกันอันนี้เราก็ไม่อยากพูด มันเป็นเรื่องของพระแต่มันไม่มีเวลาจะพูดก็พูดมันชัดทีนี่พวกญาติโยมจำพรรษาเราจะปฏิบัติเพียงแค่ไหนก็ให้สมาทานอยากให้มันเสียพรรษาไม่ใช่จําพรรษาเอาเดือนเอาสามเดือนจําเอาหรือไม่เอาถ้าเราไม่ตายมันก็ได้อยู่พั่วไป เราจะปัญญาจนอย่างไรพกยาอยู่เราจับมาให้ขาดเดินจงกรมภาวนาติดต่ออยู่หรอกหรือหรือเราจะปฏิบัติขนาดไหนเราก็ต้องมีข้อวัดสอนตัวเองตื่นเล้เราจะไม่นอนอีกพอถึงเวลาตีสามแล้ว ถึงเวลาตีสามแล้วเนี่ยจัพรษาตื่นแล้วยังเข้านอนอี ก, ยกอยู่น้ำหยากเลี้ยบอุ้นอนไรปรับอาบัดทุกกฎอีกแค่ด้วยถ้าเป็นผ้าเม่นไม่ใส่แค่ป่วยไม่ไม่ใส่อาภาสถ้าอยู่ปกติแล้วเป็นเพียงง่วงนอนเฉยเฉยเจ็ดใดนอนเฉ ย, ยเฉยขึ้นไปนอนอีกปรับอาบัดทุกกพอถึงเวลาลุกระเบิดลุกในมหาขันมีอยู่ พวกที่ลาชิพวกที่ลามาบวชอันนั้นก็ไม่ใช่ว่าเราลามาบวชเพื่อขี้เกียร์ราชการอะไรเราลามาบวชเพื่อหาอุบายจะได้ปฏิบัติศีลธรรม เราก็ต้องปฏิบัติให้สมฐานะที่เรามาบวชเหมือนกันเราก็ต้องเดินโยมภาวนาให้มาความเสื่อมความเจริญอยู่ที่ไหนถ้าข้อวัดเสื่อมมันก็เสื่อมเท่านั้นถ้าภาวนาเสื่อมมันก็เสื่อมเท่านั้นถ้าหนักภาวนาอื่นมันก็เป็นไปเอถ้าไม่หนักภาวนามันก็เสื่อมไปหมดเองมันถ้าหนักภาวนามันหากมีวิธีสอนตนเองอยู่นั่นเองถ้าไม่หนักภาวนาแล้วมันก็ไม่มีวิธีสอนตนเองเลย อะไรมันก็หนักไปมดขิเกียกไปมดมันไม่เรมเลื่มใสต่พอพบภาวนาความเจริญก็อยู่ที่กับภาวนาหรือไม่ภาวนาความเสื่อมความเจริญไม่อยู่กับคนน้อยคนมากมันอยู่กับหัวใจแต่และท่านแต่และคนเท่านั้นยิ่งหลายยิ่งทำดีก็ยิ่งเจริญยิ่งหลายยิ่งทำดีก็ยิ่งเหลวมากน้อยก็มันกันน้อยดีก็เหมือนมาทิ น่วยแล้วได้ผลแลได้เพลิดเพลินไม่ใช่เราจะบจำพรรษาพอได้นับพรรษามันล่วงไปไม่ได้อะไรเนื่อเนื่องานมันได้อยู่กับเราทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมและส่วนพระพุทธศาสนา มันไม่ได้อยู่กับปีเดือนที่ล่วงไปที่นี่จะให้พูดยังไงองีกเอาไหมขาะนีมันเหนื่อยแล้อะสามวันสามคืนด้วยเ ด, ดพระพุทธศาสนาพวกเราทั้งหลาย จํำพัรร้าพอดีผู้ที่ไม่ได้จําพัรษาพอดีมิทั่วทั้งใจโลกธ า, าด้วยเดียรพระพุทัศน์ศาสนาอันทรงพระคนณข้าไม่มีประมาณและก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไ ม, ไ, มไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับผู้เลื่อมใสและไม่เลื่อมใสเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายทุกท่านหน้าทั้งใจโลกา จ่ประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโอยด่วนทุกท่้นหน้าเทินสำคัญตัวว่าฉลาดแต่ว่าเข้าใจว่าอบายภพจะเป็นทางเจริญมันโง่ตั้งร้านร้านเท่าแล้วยังจะมาอวดดีกับนักปราชญ์มันก็ไม่ถูกนะถูกไหมนี่เอา้า นี่เป็นนี่เป็นศิลกันอยู่ทุกวันนี่อะไรบ้างก็คืออบายามุกใช่ไหม เ, เล่นเลขเล่นผาเล่นบัตรเล่นเบอร์แข่งมา้าแข่งเรือขี่เพื่อนก็จัดเข้าในอบายามุกเหมือนกันจริงไหนที่ล่วงละเมิดศิลป์้ามันก็เป็นอบายามุอมอกอีกว่าสั่งถ้าชาวโลกมีศิลป้าบริบูรณถ้าโลกก็เป็นมนุษย์มนุษย์สมบัติเต็มพูม ก็เป well, ็นสวัสดสมบัติสวรรค์สมบัติจมพูมก็เป็นนิพพานสมบัติพรมสมบัติจมพูมแล้วถ้าชาวโลกล่วงอับอายมุกอยู่ไปพอยมนุษย์สมบัติจะมีมาจากประตูใดร่ะสวรรค์จะมาจากประตูใดล่ะพรมจะมาจากประตูใดร่ะนิพพานจะมาจากประตูใดล่ะก็มีแต่ประตูร้อมวุ่นวายกันอยู่ทุกหลรมนั้นเองนั่นนั่นนั่นนั่นนั ถ้าชาวโรกมีสิ้นหน้าอุดมบุญตำรวจมีไวิธีทำไม่ทหารก็ไม่ต้องมีตำรวนก็ไม่ต้องมีเรือนจำก็ไม่ต้องมีสานไต่สวนสารตัดสินก็ไม่ต้องมีนั่นนั่นหมบไปมากแล้วนี่ชิ้นห้าก็มีอยู่ในตัวหนังสือซะมันไม่มีอยู่ในตัวหนังสือใจของชาวโลกกฎหมายก็ต า, ามเถิด ถ้าล่วงแลเมื่อชินห้าแล้วมันก็ไม่อยู่หมวงกันถูกมไหมมันก็ไม่อยู่เหมือนกัน อ, อทำเป็นโรกระบาลคุ้มครองโรคสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโรคได้ถ้าโรคไม่มีความละอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วกฎหมายก็เพียงอวดน้ําลายกันเฉยๆนั่นเอง ธรรมะก็เพียงอวดน้ำลายกันเฉยๆนั่นเองเอ่สสำหรับพูดให้คนโง่เชื่อเสือเถาจําสินญาตุดฝ่าเสือมันเันมาเห็นหมเนือเสือเ่าผนไล่คุ้มมันเดียวกันนะไม่ได้อกเมื่อถือสากปากถือสินทันันรูแล้วจะตาวผ้ารู้มันจะเป็นเปรตตเปรตเน่าในหมอวพาะฉะสินกูหิักปีเพราะฉะนั้น สารอาติบาทว่าขาดชักลักตาบุพเพนิกรรมเพียงผู้ที่พระองค์ชักช่วจัดตายจังในตัวพ่ะเจ้าปัจจุบันกระไดที่ค่วมมันบางทีเป่าแม่บอกการที่พูดถ้อยพร้อยแต่ปากถึงแม้ว่าจะเป็นความเห็นดีวิเศษจากเพียงใดก็ตาม ถ้าทำไม่ได้แรกก็หาประโยชน์ไม่ได้สภาหนูหนูจกกักหม้อเอาลูกพลวนไปผูกคอแมวเมื่อแมวมาจะได้วิ่งหนีแต่ไกหนูประชุมปรึกษากันสภาหนูหนูแกตัวแดงนัง่งอยู่นั่นเออเราก็เห็นชอบอยู่ลูกร้านเอยหนูตัวไหนจะเอาลูกพลวนไปผูกคอแมวขาซะ ก็ เ, เห็นดีอยู่นี่คือเหมือนกันธรรมของพระพุทธศาสนาก็ดีกฎหมายก็ดีก็สำหรับเอามาพูดอวดกันเฉยๆแต่ไม่ปฏิบัติอีกพ่ออีแม่กูเอ๋ยนะถูกไหมนั่นเล่นเลขวนละมาณทั่วทั้งใจโลกธาตุศีลตัวนั้นทำตัวนี้เี่มนุษย์สมบัติอย่างนั้นมนุษย์สมบัติอย่างนี้มนุษย์ปฏิบัติยังไม่รู้แล้ว จะไหนจะเป็นสวรรค์สมบัติเรานั่นนั่นๆๆถูกไหมทิ่งฟืนใส่ไฟแฉงกันมันก็มีแต่เท่าฐานนั่นเองเพื่อแรกเอาด้วนก่อนคืนมามันก็มีแต่เท่าฐานนั่นเองคำสอนใดในไตรโลกธาตุมันจะหนือคำสอนอธุาสารชนะไม่ไมีเลยพ่อยแม่เอ๋ย เหตุนั้นจึงเคารพพระพุทธศาสนาไม่ได้เคารพแบบบ้าบอแบบหลงเชื่อทำท่าทำทางเค า, า, า, า, า, ารพพระพุทธศาสนาเพราะได้หลอกกินอาเม็ดไม่ได้เป็นอย่างนั้นอืคดีดำคดีแดงในโรวงในศาลมันจบกเกษียนเป็นแต่กรรมและผลของกรรมจบกเกษียนใหม่เป็นเลยนนั่ ตามไปจนถึงชาติเข้าสู่พระนิพพานพระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งเย็นยงทรงอยู่ที่หัวใจเราก็เหมือนอยู่คงเทียบด้วยพระพุทธศาสนาไม่อยู่ยั่งเย็นยงทรงอยู่ที่หัวใจแล้วหัวใจจะอยู่ได้หรือก็เหมือนหอดหม้วยสุดชินสกุลหัวใจ แต่พอเรารู้ตัวมันก็สายไปสักเมตรนั้ น, น, นการปฏิบัติสินธรรมจึงมีทํำไมปฏิบัติสินธรรมเพราะสินธรรมอยู่ที่เราถ้าสินธรรมอยู่ในท่าอากาศเราก็ปฏิบัติไม่ได้ถ้าห่ะไม่ได้ก็ปฏิบัติไม่ได้มันก็อยู่กับตัวเราเราไม่ปฏิบัติก็อยู่กับตัวใจใจเป็นผู้ปฏิบัติทำดีเข้าไปบวกอยู่ที่ใจคําชั่วก็ไปบวกชั่วอยู่ที่ใจ ไม่ได้ไปหวงกินผ้าอากาศทำบุญก็ทำบุญฉลองใจทำบาปก็ทำบาปฉลองใจทำดีก็ทำดีฉลองใจทำชั่วก็ทำชั่วฉลองใจนั่นเองไม่ฉลองมันก็ฉลองอยู่ในตัวมันตามเราไปละเอียดกว่าเงาอีกะด้วยเราไม่รู้ตัวว่าผลของกรรมตามเรานึกดีก็ให้ผลดีนึกชั่วก็ให้ผลชั่วเรานึกโกรธผลโกรธพวกนี้จึงจะมาอย่างนั้นหรือก็มาเดี๋ยวนี้นึกโทสะนึกราคะส่งเสริมราคะราคะก็มาเดี๋ยวนี้ ส่งเสริมโทสะโทสะก็มาเดี๋ยวะนี่ส่งเสริมโมหะโมหะก็ทวีขึ้นเดี๋ยวะนี่เหตุนั่งผลก็นั่งเหตุนอนผลก็นอนเหตุพูดผลก็พูดเหตุสงสัยผลก็สงสัยเหตุไม่สงสัยผลก็ไม่สงสัยเหตุก็ผลมาอยู่ห่างกันพอเก้าใครเป็นผู้สร้างขึ้นเหตุก็คือใจนั่นเองใจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหานั้นย่อมให้ผลตามส่วนผลนค่าของเหตุที่สร้างขึ้นมีสุข จะบัญญัติเป็นหรือไม่มันญัติก็ตามชอบสุขสุขในทางพุทธศาสนามันมีอยู่สองอย่างสุขอิงอามิตรเรียกว่าสามิตรสุขสุขอิงอามิตรเช่นได้ของเมื่อกี้มีความยิ้มใส่ของเรียกว่าสุขอิงอามิตรแต่ของเหล่านี้น่ะมันตั้งอยู่ไม่ได้มันก็แปรเปลีนแตกสายไปสุขไม่อิงอามิตรคืออิงรุ่ดตามเป็นจริงของอันนี้จะได้เกิดเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตามัได้อยู่กีรังยั่ยืนยกใคร ในสักวันหน่างกายก็มันดังอันนี้แล้วเกยเป็นสุขเลยเลยเป็นสุขรูปธรไปจริงก็เป็นสุขแล้วเรียกว่าสุกมาองกอมิตรอันนี้เรียกประสุกอิงอกเนคขมะคือความออกจากโลกโกรธหลงทุกอิงอามิตรคือยังไงดีมสุรามาก็เป็นทุกขเนี่ยว่าทุกอิงอามิตรไปทําความเหิดไม่นาไปทําความเผ็ดก็ เวลาจะไปทําก็เป็นทุกข์ใจเวลาทําผิดน่าก็เป็นทุกข์ใจแล้วก็ทุกข์เองอามิตรทุกข์ไปรักสิ่งของเขาเนะทุกข์เองเองเนี่ยขมมะคืออะไรพยายามอดข้าวอดน้าปฏิบัติสิ่ธรรมเดินโยมภ า, าแต่ก็เป็นทุกข์สมาทานบางอย่างให้ทุกข์ในในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นและมีสุขปฏิบัติต่อไปก็คือปฏิบัติศิ่งธรรมนั่นเอง ทำสมาทานบางอย่างให้สุขในปัจจุบันและมีทุกข์เนบาศต่อไปเช่นเราทําผิดถือว่าเป็นของสุขใะฆ่าเขาในเล่นเมียเขาได้รักของเขาถือว่าเป็นสุขในปัจจุบันและมีทุกข์เนบาศต่อไปทําสมาทานบางอย่าง มีสุขในปัจจุบันและมีสุขไปนในบากต่อไปพอใจทำความดีอย่างพึงภายแล้วในอนาคตก็เป็นสุขมีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์ไปในบาปต่อไปมีทุกข์ทั้งเวลาลงมือทำมีทุกข์ทั้งทำแล้วคือในทางชั่ว เราต้องการทุกเราต้องการสุขเหตุเกิดสุขก็ต้องเลือกเพ้นเสียก่อนเพราะทาทั้งหลายไม่นี้จากเหตุเหตุเป็นเป็นทุกขเราจะเป็นพยญยามว่าเป็นสุขมันก็ไม่เป็นเช่นเหตุอวัยวมุกหรือเหตุล่วงละเมิดชี้หน้ามันเป็นเหตุแห่งทุกเราจะพยญยามว่าเป็นเหตุแห่งสุขมันก็ไม่ถูก มันรุ้ตาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อัชฌนุตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกเป็นผลแห่งเหตุอันนี้อัตตันุตารู้จักประมาณตนว่าเราว่าโดยชาติตระกูลยศศักสมบัติบริวารและความรู้คุณทําเพียงเท่านี้เท่านี้แล้วควรประพฤติตนให้สมควรแก่การที่เป็นอยู่อย่างไรอันนี้เขาเรียกว่าทำของพระสวาัวัน มัตตัญญาตาเป็นผู้แสวงหาเครื่องนี้ยังชีวิตแต่โดยทางที่ชอบ น, นี่ก็ทำของพระโสดาวันการัญยาตารู้จักการเวลาอันสมควรในการประกอบกิจนั่นนั้นอันนี้ก็ภูุงของพระโสดาวันพระนิสันญาตารู้จักประชุมชนและกิริยาที่ประพฤติต่อประชุมชนนั้นนั้นว่ามูนี้เมื่อเข้าไปหาจะต้องทํากิริยาอย่างนี้และจะต้องพูดอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็ปรุงของพระโสดาวัน ปกครรภปโรปารันโตาเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลว่าผู้นี้เป็นคนดีคนครบผู้นี้เป็นคนไม่ดีไม่คนครบเป็นต้นทำเหล่านี้เป็นธรรมของพระโสดาบันทั้งนั้นเป็นของสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์อีกด้วยแต่เป็นธรรมเบื้องต่ําของพวกพระอรหันต์แต่เป็นธรรมเบื้องสูงของพระโสดาบันนั่สกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์อีกด้วยแต่เป็นธรรมเบื้องต่ําของพวกพระอรหันต์ แต่เป็นทำร่เวรสูงของพระโสดาบันนัิน่งไหนที่พระบรามศาสานาไม่สอนชาวโลกไม่นี้เลยสอนมัดจึงยอมเข้าสู่พระนิพพานไม่ในลำเอียงสอนแต่พระเนรสูญเลวกานสูญไม่อยากบวชก็ไม่ต้องบวชให้รักษาอยู่ทางโลกซะศาสนาเราไม่ น, นิยมว่าบวชหมดทุกคนหรอก ผู้อยู่ในคารวะก็สามารถถึงพระสวสดาบัน n สักทาคามีอนาคามีพระหันได้เหมือนกันเช่นพระสุทโธชนะเป็นต้นพระสุทโธชนะก็ถึงพระหันมีมากมายหลายล้นผู้ถึงพระหันผู้ถึงพระอนาคามีก็เต็มบ้านเต็มเมืองอ่เช่นบ้านนาลันทคามบ้านพระสาดีบุตรกรมราชชก็มีถมไปกรงสาบัดีก็มีถมไปอือ เกงว่าอยากให้เข้าใจก็อยากได้หัวใจของมนุษย์ให้ถึงธรรมานันแหละอันอื่นก็ไม่อยากได้หรอกมันจึงไม่เสียเที่ยวมาผู้นั่งมันจึงไม่เสียเที่ยวผู้เทศจึงไม่เสียเที่ยวผู้งาาก็จึงไม่เสียเที่ยวสิ่งไหนที่เราไม่แสวงเราก็ไม่เอามาพูดเช่นาาอะไรยังงั้นถ้าเรายินดีอยู่เราก็ไม่ไดเอามาพูด เก่งละายเ ท, เทวุทธเวราเมื่องแล้วไม่เสียดายไม่เสียดาอยากจะถือศาสตาอื่นเมื่อเสียดาอยากจะถืออยู่ยงคงกรพันเมื่อเสีดายอยากจะถือเรื่องดียามดีเมื่อเสีดายอยากจะสาบแข่งท่านผู้ใดแล้วจองเวรท่านทู้ใด โกรธอยู่แต่ไม่จองเง น, นั่นคือภูมิปัตตุวดาวันการค้าขายของพระโุวดาวันก็มีขอบเขตจะไปค้าโคค้ากระเบือขายเหมือนเราหีุนเสียหายตายตายแล้วก็ตกนรกนะแต่ไม่ตายก็ตกแล้วนรกค้า ข, ขายเครื่องะหานตราอาวุธค้า ข, ขายสับเป็นเลือเนื้อสับเท็จตัวข้าวเพื่อเป็นอาหารค้าขายนมเอาค้าขายยาพิษไม่มีในพระโุวดาวัน แต่พวกเรามันเต็มโลกมันจะเอาพระสะมาดาบันมาจากประตูใดละ่ะนั่นนั่นน่นนั่นนั่นพ่อออแม่กูเอ๋ยแล้วก็ร้องหาความสุขความสุขจะมาจากประตูใดละ่ะนั่นนั่นนั่นน่นนั่นนั่นเอาละเบวัง <c oughs> <c oughs> หนังสือธรรมะก็เป็นสำหรับ เครื่องลวงคนโง่หาจริงเท่านั้นใช่ไหมนั่นนั่นนั่นเพราะไม่มีผู้ปฏิบัตินั่นนั่นมีแต่ผู้พูดมีแต่อาจารย์ไม่มีลูกศิษย์ใครไปที่ไหนก็หวังจะเทศเอากันลู ก, กศอยอยิกก <laughs> กษย์ไม่มีแต่อาจารย์เทศอย่างนี้ไมรเท่ากุหลาบใช่ไหมลูกศิษย์ไม่มีแค่นี้มีแต่อาจารย์เต็มโลกอืม ผู้บวชมาเพื่อเพ่นทุกก็มีน้อยบวชเพื่อเข้าสารบวชฐานเข้าสุขบวชสนุกสบายผู้เห็นไทยในวัดเ้าสงสารมีน้อยผู้ปฏิบัติสินธรรมอยู่ทางโลกก็งั้นกันดางท่านพูดนําพูดธรรมะน้ําไหลไฟดับแกยักเล่าอยู่ ถูกไหมพูดธรรมะจนน้ำไหลใส่รับแต่ละวงนแล้วเมื่อเมียเขาอยู่มึอจับแขนเมียเขาตามองดูประตูที่ัวเขาจะมาถูกไหม <c oughs> ลก โลกที่บ้าโลกมเป็นบ้าเรามนุษย์เป็นบ้า mm hmm. เพียงศิลธรรพอแล้วสงบแล้วโลกจดอาวุธแล้วอาวุธเวีนไทยก็สงบแล้วเวีนไทยก็ไม่มี mm hmm. กฎหมาม้กฎหมูก็ตั้งเพียงทาทิอาครก็พอแล้วทำให้ศิลธรรบริบูรณ์ ถ้าไม่มีเส้นห้าวดวูนตั้งขึ้นเท่ า, าใดมันก็ไม่อยู่โรกาเอ๋ยฮะตั้งขึ้นขี่นั้นล้านมาตาก็ตามท่องละเอียดละ อ, อจนปากฉีกก็ตามมันก็จะได้ผลความสุขมาจากประตูใดอันเดียวกันนั่นเองพระก็เหมือนกันจะเรียนถึงเก้าพโยโก็ตาม ถ้ายังยินดีในอบายมุกอยู่มันก็รานเป่านั่นเอง <laughs> ถูกไหมนั่นเอละเอีงแนวสามข้างสี่ข้างแล้วยบตัวยืนคำนับไปเห <laughs> มเวานั่งเวลานั่งมาการใงกาหายใจมันสุด มันไม่สะุดหอกแต่ว่ามันละเอียดเข้าไปเราเบากายเบาใจเราลืมตัวเฉยๆหรอกแล้วสาคัญว่ามันหยุดมันไม่หยุดหรอกมันละเอียดมากมันไม่หยุดมันละเอียดเลยจะไม่กระเทือนจริงๆสัตว์ต่างคืออารมณ์เดียวมีอารมณ์เดียวมันวมลงไปในอกกายมันก็มีรู้มันก็มีแต่พวกรูในกิจไี่เอาท่านไม่หยดอยู่ จะหมดกำลังมันก็ถอนออกมาเหมือนกันเข้าใจให้น้อมลองสู่อนิจจังเห็นอย่างนั้นสู งา ม, มลงสู่อานิจังเดินอนิจังมานพิจนาอนิจังไปเลยถูกภ า, าพยาภาพละเอียดพพพพ ก, ล ก, ลงงก็ลงสู่อานิจังทั้งนั้นภาพภาพที่ไกลที่ใกล้ของนนกันลงสูพพยย่อนิจังทั้งนั้นอานิจนาไปนะ สมาธิก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่สมาธิเป็นสมาธิก็เป็นแต่สักว่าสมาธิเราไม่ยึดถือว่าสมาธิเป็นเราเราเป็นสมาธินั่นตัวตัวปัญญาแล้วสมาธิก็เป็นธรรมชนิดหนึ่งเราจะไปยึดสมาธิเป็นเราเราเป็นสมาธิมันก็ไม่ถูกอีกมันก็มีมานะทิฏฐิไปซ่อนอยู่นั่นอีกเพราะสมาธิก็เป็นตัวอนิจจังอันละเอียดนั่นเองมดกําลังก็ถอนออกมาสมาธิก็เปรียบเหมือนเราไปทํางานแล้วก็หยุดพัก ถ้าไมพักก็ไม่ได้งานถ้าามงานแต่พักก็ไม่ได้งานอีกถ้าไมพักก็ไม่มีกำลังถ้าทำงานแต่พักก็ไม่ได้งานอีกเพราะงานยังไม่เสร็จสมาธิุรงนั้นเราพักงานเป็นเอกขตาคืออารมณ์อันเดียวนะเอกขตาเอกะแปลว่าหนึ่งอารมณ์อันเดียวที่เราตั้งไว้นะแต่อยู่มาอยู่มามันถอนออกมาอีกเหมือนกันนะเพราะมันอยู่ใ้อำนาจอนยิ่ง ก็ไม่ร้ายแต่ท่านนี่รัตสมาบัตถท่านพักอยู่ในสังเก็ดวันเจ็ดคืนมันก็ถอนออกมาเหมือนกันเพราะมันยังใด้อำนาจอันยิ่งมันละเอียดนับให้รู้ทุกกระเบียดยาไปหลวงว่าเป็นเราเขาสัตว์บุคคลได้ในโลกล้วนทุกขังได้ใโลกร้วนอนัตตาอย่าสงสัยเลยนะทั้งอดีตทั้งอนาคตเรียกว่าพิจนาตาหมายถึงมีปัญญาเป็นหัวหน้าอันนี้ย มีกำลังมากคนหนึ่งตายคาสมาธิล้วนๆคนหนึ่งตายคาพิจณานอนิจจังทุกขรังอนัตตาผู้ตายคาพิจนาอนิจจังทุกขั้งอนัตตาไปสูงกว่าผู้ที่ติดอยู่ในสมาธิมี <c oughs> อายุยืน <ous> กว่ากัน <c oughs> อีกด้วยก็คืออนิจจัง <iner> จเองพื้แต่งของกิจเป็นนามสังขาร มามากลับล like ูกมันพวกมันกลับไป้เมาเน้วไปไไปไปทโธธัมโมสังโฆพุทโธสังโฆเออเออนั่ะพุทโธธัมโมสังโฆวะเปล่าหัวให้ลงถึงกาให้ใจถึงว่าพุทธประธรรมสงฆ์ให้ใจถึงว่าพุทธรธรรมสงฆ์อ่าพุทโธธัมสัก่อยใจถึงว่าพุทธประธรรมพสงฆ์คำบ่บ่อยใจก็ตาลงบ่อย มีปัญญาย่อ ม, ยอมสร้างความดีลงที่ใจผู้ดได้ปัญญาย่อมสร้างความชั่วไว้ที่ใจใจมีคุณเป็นมหันต์แต่ก็มีโทษเป็นอนันต์ถ้าทาไม่ถูกถึงกับไปผูกคอตายก็มีไฟภายนอกก็เหมือนกันมีคุณเป็นมหันต์ต้มหงกินอาหารเป็นต้น แต่รักษาไม่ดีก็ไม่บ้านไม่เรือนจนไม่มีที่อยู่คิตใจก็มือนกันรักษาไม่ดีก็เป็นภัยรักษาดีก็เป็นคุณจนเข้าสู่พรา涅นเหตุนั้นการรักษาใจจึงมีทำไมจึงอาบน้าเพราะร่ากายมันสกรปรก ทำไมจึงปฏิบัติศีลธรรมเพราะใจมันสกปกจึงปฏิบัติศีลธรรมศีลธรรมไม่ใช่ศีลศีลใส่ไะอีเลยเรามีอิสระจะทำดีได้ไม่มีอิสระจะทำชั่ว นักปราดมีอิสระจะทําดีส่วนผู้ที่ไม่ใช่นักปราดก็มีอิสระจะทําชั่วนักปราดใจถึงในทางทำนี้ตรงนั้นข้ามก็ใจถึงทางทําชั่วความดีคนดีทําได้ง่ายความดีคนชั่วทําได้ยากความชั่วคนชั่วทําได้ง่ายความดีคนชั่วทํ า, าดทได้ยาก ความชั่วคนดีทำง่ายยากดีง่ายของใครของมันเออน่เน่เน่เนดูถูกไหมเออถูกถูกมั้ย อ, อ๋อประมาณที่นี่มั้ยเออเดี๋ยว อ, อ๋อจะให้ให้ร่มครับ อย่านั้มีเวรมีภัยแก่กันและกันเลยต้องนึกอย่างนี้เป็นภาษาไทยเนอวันหนึ่งวันหนึ่งต้องแดงนึกแล้วนึกเนอะแล้วนึกได้มั น, นได้ได้กรี๊ดตาบเท่าข้าสูนย์ของเนปาจะไม่มีเวรมีภัยแก่ท่านผูน้ใดเอยจะขออุทิศกุศลผลบุญให้ผูกขาดจองขาดอยู่ทุกเมื่อเขาอย่ามีเวรมีภัยแก่กันและกันเลยขอเป็นเมตตาสหายอยู่ทุกเมื่อขอกรรมโทษอยู่ทุกเมื่อพูดอย่างนี้เยะกว่าแผ่เมตตาเยอะกว่าอัศจราย์เนปาจะมีสัมปนู เรืว่าสัจปัณสัมปันโนผมทามอย่างนี้ผมมาอยู่ในภูลลเขานักอยู่ภูอยู่เขาเหมาือนกันผมไม่ค่อยเจออันตรายเลยเออทำอย่างนัจะนักอยู่ภูอยู่เขาเหมือนกันไม่ค่อยเป็นอันตรายยูเรื่อยมาหนิตัวโตๆอันนี้กโตโต็าามไม่กัดอยู่จังหวัดพังงาก็เจอเหมือนกันงูว่ายมางูขามเนี่ยเื่อยม า, ม, า, ม, ม, ลล ม, ามันมาโดยเฉย เออมื่อไทยก็าส่งภาษาไทยใส่เนาะตาเขามันจิ๊บ๊บ๊บอย่างนี้ตาเขงมันเข้านื้อดาเขอมันมานี่เขานป๊บนี่เจ็บเลยแล้วก็บอกเออเออเออล้วไม่มาห้เอาทัอในดินเจแม่น้ำเราพูดตามภาษาเราเราแข่งกับกาที่เธออยู่ทุกวัน้าด้าด้าด้าดฟาอย่างนี้เธอยามาฟาาดฟาแล้วก็ตาเข้ามาอย่างน้ แต่มันไม่ทำมันกเ็กเร็กอย่างนี้มันไปอย่างนี้อหาตกโนโูหัวหม้ตกโ น, โ น, โ น, โนู่นหาอะัรอย่นี่พอไปครผ่านล้วไปแล้วโอ้โอ้โ อ, โ อ, โอ้มันขู่เราเจ๊นี่ <laughs> มันจะแทรกลมออกคนเขาบอกว่างูมันล่องมาเป็นเราไม่เชื่อเลยเราเห็นกับตา โ oh, oh, oh. อ้โหใ้มันแตกแทลกลงออกที่งเข้าไปในถ้ำเงียบเลยนี่นานประมาณสองช่วอีกประมาณชิ้นผ้าอีออกมาอีกที่นี่ออกมาอีกออกมาในถ้ำใหญ่ๆถ้ำผามั น, นเป็นหน้าผาอย่างนั้นรัดมาทางตีนที่นี่ทางเตีนเตียงที่นี่ เราก็ตั้งใจได้เราที่นี้เออบอกแล้วไม่ฟังบอกแล้วไม่ฟังไม่เชื่อกันหรือเราเพียเมตตาถึงเธออยู่ไม่ว่าแต่เธอหละ่ะเัื่อทั้งใจโลกกระทำเออเราเพียรเมตตาไม่มีเวรไม่ภัยกับใครคืนไปสักคืนไปคืนไปคืนไปคืนไ ป, นไ ป, นไปมันก็รู้จักภาษาไปอย่างนั้นกันทีนี่มันก็ คอยหลังคืนอย่างนี้ยอยหลังคืนประมาณหนึ่งวันคอยหลังคืนแต่มปนวันหยุดเลื่อนอย่างเงี้ยอยหลังคืนขึ้นหามาทั้งนี้ตูม่เข้าที่นั่นเลยไม่เห็นต่อไปรู้จักภาษาใบเหมือนกันหมทีนี้มีปัญหาขอตว์ขมาว่าบุญของเรามีเล็กๆน้อยๆเราไปอุทิศให้ไปโลกระท่าเนี่ยมันจะไม่หมดดอกหรือพระอานนุ์ อานนท์เธออุทิศกุศลพ้นบุญชายชาวโลกบ้างไม่ก็ไม่ก็อาจะอุทิศมากเพราะถึงว่ามันจะหมดเพราะบุญของเราม่น้อยเออเข้าใจผิดอานนท์เอยบุญของเรามีเพียงนิดเดียวก็ตามเราโอนให้เราถวายให้ทอดสังสารโลกธศตุมันก็เกิดเป็นของทิพย์ขึ้นเต็มใจโลกธาตุเลยมันไม่หมดหรอกไม่เหมือนด้นอื่นยิ่งได้มากท่านพูดทางาน ในผสมอปันนาก็มีมุ่นของเรามีนิดเดียวเราไปอุทิศให้กวงโลกทั้งเส้นมันก็หมดเสียระองมันไม่หมดอานน์มันเยอะมากาเทวีคูนทันปูดอย่างนั้นทุกวันเนี่ยผมก็เอาอยู่ทุกวันเนี่ยนี่คนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับประมาณไม่ได้โยนี่สี่ทุกคนหน้าขอที่สิงที่มีวิญญาณของเสิ่งจดจำใจโลกธาตุนี้พ้าพุเจ้าเลยือกได้เลอกได้สิ สนน่วนผลบนอะไรที่ได้ทํามาแล้วนยนพวกปลอดก็ดีพระศิวันรก็ดีจะเป็นไปในข้างหน้าก็ดีข้าพเจ้าเขา อ, อุทิศให้ปวงโลกทั้งสิ้นทุกข้อน่าอยู่เลยทุกวน้าเขา อ, อยาได้มีมีใครอยู่ทุกหน้าคือเราก็พิกกิจใช่อยู่ทุกวันในประจําวันอืมอันนี้ทิ้งไม่ได้อันนี้พิกิจใช่ปากกาจะมีอยู่กับเราก็ตามถ้าเราไม่เอาออกเขียนมันก็ไม่ได้ประโยชน์ถูกไหมรับพูดให้คนหนึ่งฟังแล้วกใครมีแต่กันหมดเนออืม อ่ออูนยุยญตาสูตรนะอาจถามต่อความดีของตนยินดีในที่วิเวกหลีกออกแต่ผู้เดียวเรียกว่าศุนยยะตาสูตรจะได้มาเสื้อแก่เจ็บตายอีกเลยมี่ปัญหาแล้วไงห้าปัญหา ทีแกนาอนิจจังทุกขั้งอนาตาบ้างไหมยนักทางสมาธิอย่างนั้นหรือเห็นขวความเกิดขึ้ น, นแสบวนและดับพลวัลไม่ได้ลมหายใจเข้าข้างหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพาโลกจตไปด้วยอ น, นิจจังลมหายใจเข้าออกข้างหนึ่งก็เห็นรอบโลกแล้วเพาลกจต็ไปด้วยอ น, นิจจังมีทุกขสัมพยุตอยู่ด้วย นี่สิงที่ไม่ใช right. like ่ตัวตนทรรมเนียอยู่ด <royalty> ้วยนานเข้านานเข้ากับพิจารณาทุกข์เข้ลงให้ใจออพิจารณานานเข้านานเข้ากับพิจารณาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีแต่สงขาและกองทุกข์เข้าวามลงให้ใจออพิจารณาเข้ามาอีกมากเท่าเดิมผู้รู้ไม่ใช่เราเราไม่ใช่ผู้รู้เราก็เป็นแต่สักการผู้รู้ผู้รู้ว่าเป็นแต่สักการผู้รู้ก็ผู้รู้นั่นเองเป็นแต่สักกาอผู้รู้ พร้อมกับลองให้ใจเข้าออกอีกถ้าเราตายในเวนั้นเวลานั้นวิญญาณปฏิสนธิของเราก็ไม่มีเราเข้าเข้าสู่พระเนพาลไปนะ <c oughs> ผมชอบจริงจรงคนปฏิบัติเดี่ยวพระหนุ่มปฏิบัติเดี่ยว ที่นี่ที่น้อมาจากไหนกี่คนด้วยกันวันนี้วันนี้มาจากไหนวันนี้โ อ, <ม>โอ้พ่อแม่อยู่เสือระบูไม่ได้มาจากหลวงปู่อ๋อไม่ไม่ได้มาจากหลวงปู่เทีนดอกหรือ ไ, ไม่ได้ม า, าเฮ้ยไม่เนี่ยฮะไม่ไไประกาศหลวงปู่ไนงะ เออเออได้ประมาณนี้ได้โรคเนี่ยมมออนนไม่มีคำสอนอันใดไม่มีคำสอนอันใดจะเหนือคำสอนพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสน า, าเอามาสอนมดแล้วคำสอนใดใด ในไตรโลกธาเป็นเมืองขึ้นคําสอนของพระพุทธศาสนาหมดเหมือนเข็มทิศเป็นเมืองขึ้นของทิศเหนือเหมือนน้าห้อยน้องคลองบึงบางต่างๆไหลลงสู่หาสมุทรทะเลโดยไม่ระ้ตัวชันใดคําสอนใดๆก็ ไ, ไหลลงสู่คําสอนพระพุทธศาสนา โดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ทำไมเราจึงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาก็เพราะเหตุว่าบารมีของพวกเราแก่กล้ามาแล้ว พระพุทธศาสนาเป็นของสูงไม่เป็นฐานะของบุคคลผู้มีบรญวาสนาต่ำต้อยจะมาเลื่อมใสชั้นใดก็ดีเกสรดอกไม้ไม่เป็นหน้าที่ของแมลงวันจะมาเลื่อมใสชั้นใดคำสอนของพระพุทธศาสนาว่าฉันนั้น ไม่พูดอีกก็จริงอีกทำไมจึงมีลัทธิต่างๆกันในโลกแกงแย่งกันอยู่ไม่แล้วไม่รอดก็พระกรรมโมนาววตติโลโก้ชัตโลกเป็นไปตามกรรมท่านผู้ใดอยู่ในระดับใดก็เอาอันนั้นมาอ้างเพราะมีความเห็นอยู่ในระดับต่ำก็เอาระดับต่ำมาอ้า มีความเห็นอยู่ในระดับชั้นกลางก็เอาขากลางมาอ้างมีความเห็นอยู่ในชั้นระดับสูงก็เอาสูงมาอ้างความจริงมันก็ถูกของใครของมันแต่ให้ผลต่างกันมันดีสําหรับผู้ชอบแต่ของที่เร็วซ้ำก็ดีสําหรับกับผู้เร็วซ้ำ ของที่ขนาดกลางก็ดีสำหรับกับคนขนาดกลางทํามันชั้นสูงก็ดีสำหรับกับบุคคลที่ชั้นสูงทำไมจึงมีสูงต่ำรุ่มดอนอยู่อย่างนี้เป็นแต่ไหนแต่ไรมาในโลกแล้วต้นไม้ภูเขาก็มีสูงต่ำรุ่มดอนชัน้นใดความเห็นของมนุษย์ก็และสัตว์ทั้งหลายก็มีสูงต่ำรุ่มดอนอย่อยางนั้น ดอกบัวม่สี่เหล่าดอกเสมอน้ํนาก็เสมอน้ำเติมภูมิดอกใต้น้ําก็ใต้น้าเต็มภูมิดอกตูงก็ตูงเต็มภูมิดอกบานก็บานเติมภูมิดอกบาน ก็ดีดอกตูมก็ดีดอกขมือเนื้อก็ดีดอกใต้น้ำก็ดีก็มีอยู่ทุกบุตทุกหวยทุกการทุกเวลาของโลกฉันใดกด็ดีผู้ถึงพระโสดาบันสกทากามีนาคารีอรหันต์ก็มีประจำโลกอยู่ไม่ขาดยก ข, ขาดบท่าไหม พวกที่ต่ําำในความกว่านั้นกำ อ, อยู่ทุกงคทุกสมัยไม่ขาดโลกเลเป็นของจี่วอย่างนั้นเหตุนั้นจึงมีพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์มาเป็นยกุกเป็นยุคเป็นยุคเป็นยุคของโลกมากกว่าร้อยโกดอันนี้กระสะตัโกตัยโพระพุทธเจ้ามากกว่าร้อยโกด มาเป็นยุกยุกยุกุกยุกุกยุก็มีคําสอนอันเดียวกันเมื่อไหนลบล้างพอรอบอกันเลยทำที่ปกครองโล ก, กอุฒิเจ้าทั้งหลายก็มาเยืนกันตรงกันเพียงเลยทําเป็นโลกกระบาลคือกุ้มครองโลกรองอย่างนี่นี่ความละอายต่อบาปทุตจริตอัตตปะสะดุ้งกลัวต่อบาปทุตจริต ถ้าชาวโลกมีทำสองประการนี้แล้วก็ปกครองกันอยู่เย็นเป็นถุกถ้ากว่าไม่มีทำสองประการประจําใจอยู่แล้วประจําใจอยู่แล้วกัหมายกัดหมูกดพัก ก, กัพวกธรรมโนธรรมะก็ตั้งไม่อยู่พระ อ, อูของธรรมไม่อยู่ในหัวใจแม่น้ำคำหนึ่งก็มดที่เพึ่งพิงเองอาศัย ทำความเชื่อในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทาในที่รับโลกวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะไม่มีความละอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปนั่นเองทําอันนี้เป็นของจริงเป็นอริยสัจจะทาอยู่แต่ดึกดำบันทําไมเราจึงอาบน้ำเพราะร่างกายมันจกปก ทำไมเราจรึงปฏิบัติศีลธรรมเพราะจิตใจมันสกพรกข่าวใโลกอนรมานข่าวนั้นลอกขามเหมินจากศีลดรมว่าผลชนละทาไม่ตกตามฤดูกาลพระบรมศาอาจารย์กล่าวว่า ชาวมนุษย์ทั้งหลายห่างเหินจากศีลธรรมฝ้าฝนชนธรราก็ไม่ตกตามฤดูกาลแต่ชาววิทยาศาสตร์ท่านตอบว่าคนทำลายต้นไมน้ ล, ลํำธายแล้วเ็นโรงถูงฝ้าก็ไม่ลงฝนก็ไม่ตก แต่แย่ง ก, กันกับทางพระพุทธศาสนาะทางพระพุทธศาสนาะยืนยันว่าคนห่างเหินจากศีลธรรมฝ่าผลชนละทาไม่ตกตามรดูการพระเทวดาไม่ส่งเสริมอาคาสัทถาจะพุงมัทธาเทวนาคามหิทธิกาจำพวกนี้บรรดาฝ่าผลได้ จอมพ่อกี้ไม่อนุโมทนาไม่ส่งเสริมทำไมจึงเขารบพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นของจริงบรญญัติบาปบุญคุณโทษถูกนัดที่อื่ น, นบัญญัติไม่ค่อยถูก สิ่งที่เป็นบาปว่าเป็นบุญก็มีสิส่งที่เป็นบุญว่าเป็นบาปก็มีสิส่งที่ไม่เป็นประโยชน์ว่าเป็นประโยชน์ก็มีสิงส่งที่เป็นประโยชน์ว่าไม่เป็นประโยชน์ก็มีสับสนอธรรมานไม่เหมือนพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนโลกเต็มภูมยิ่งทรงพระนามยืนยันว่าศรัทธาเทวดานุษศานังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเต็มพุงแล้ว องค์ท่านไม่ประมาเลยพระบะรมศาสตราสีหานะทังนะทันเตเตเปล่งชี้แล้วสีหานาฏในพุทธบริษัต์ไม่ข้ามข้ามเลยเพราะมันเป็นจริงแล้วเป็นหุ่นเอกแล้วทายอันไหนว่าไม่ผิดเลยมนุษย์สมบัติก็สอนเต็มภูมิแล้ว สวรรค์สมบัติก of ็สอนเต็มภ ar ูมิแล้วพรหมสมบัติก็สอนเต็มภูมิแล้วนิพพานสมบัติก็สอนเต็มภูมิแล้วถ้าถูกมนุษย์สมบัติก็ถูกสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติเหมือนกันถ้าผิดจากมนุษย์สมบัติก็ผิดสวรรค์สมบัติผิดพรหมสมบัติผิดนิพพานสมบัติเหมือนกันอบายมุขทุกประเภท เป็นมนุษย์สมบัติถ้าไม่ล่วงละเมิดถ้าล่วงละเมิดก็เป็นมนุษย์ระบัห<ม>ทหลึ่งเศรษฐีอาบายะมุกมีไหมไม่มีธนาคารอาบายะมุกมีไม่ก็ไม่มีหลึ่ง